เรเี่ยวมาทั้งพี่กักค่อยเราก็กดีจัดจุการแก่อยู่มณฑกหลวงปูไม่ได้สะดวกนะแต่ว่าเสียจังเดียวสิคำบทสด้างความบกพรองมุ่นพลในหกโมงไปเทศสนอตรวจมุ่นทํมวัดจะหาุ่งก็ไดไวล่าอยู่บอกไปมุ่นพนว่า หลายคนพุ่มเหมือนว่าหลายคนแปลงหลายคนว่องอ่านบอกคนผู้เดียวเลยยากเยเรียนคาว่าเรียนพิที่กันเลยมาทางปีเด็กเดยกก็พอดีแล้วทาวัดรตรงก็แล้วทำวัดรตงก็แล้วทาบัโดนปะล่ะ ฮอโอ้ตัวลายญุบุณไม่ได้หัวลายให้มัเจกาสื่อมาเจกาเราคล้อยคนจบคุ้นวัดบึงกันเลยนั่งสมาธิอ่าหลวงพ่แม่จะมันเกือบรึงสุโม่งกปเนี่ยนั่นจะเป็นวัดเหนียวเข้าอนั่นมาจะไปตามอีกกันเหรอวะก็เลยเศร้า นั่งเทศพระป้ากับบ่มีเที่ยว้าหลายแล้อกว่เศ้าหาวันเอาว่ได้เปิดภูไม่ก็เม่าเฮงหลายเพือเขาตัเนพระพุทธเจ้าจิตตัดสตรู้นั่งกเม่าได้มันต่ตัดสตว์รู้ด้วยการปฏิบัติได้แต่เนั่นพระพุทธเจ้าอยากพ่นคือพระพุทธเจ้าเฮ็ดคพือพระพุทธเจ้าตัวไยากเดือนกันเ่ยเพื่พระพุทธเจ้า อันเน็ตนั่งใจจะของมะไรช่างยากเพราะใจคนนอกเนี่ยมันเอืเอบอาบไปด้วยกิเลสเนียใจคนในโลกเอือบาบไปด้วยกิเลสตาคนนอกเห็นแต่ของนอกตาเนื้เห็นแต่ของนอกอืตาไในเคยเห็นมักเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณิภาพ อาณาจะเกิดทิ่งนีก็คือท่ามสมาธิเนี่ยสินสมาธิปัญยาเนี่สิ่งนี้สินก็มีสมาธิแต่มีปัญญาปัญญาประหารจิอ ส, สมาธิพว่มตั้งมันของจิตพว่มสงบของจิตจิตได้พักแล้วก็เกิดปัญญากเกิดคว่มรอบรูเนี่ย ก้มรอบรูในกองสังขารเรียกว่าปัญญาอ่าก้มรอบรูในทา้งโลกผมมีตตาเนื้อรูตาก้มหลักรูแต่ก้มโลกรูแต่ก้มโกรธรูแต่ก้มลงแล่นน้ำว้มหักก้มโลกก้มโกรธว้มลงบริตัดตัวนี้เนยตาเนื้อต้องอาศัยตาภายในตาไพ่ในเป็นเรียกว่าทั้งมักจุบไหม อาทำทำมาจากสุสิเกิดขึ้นก็เพราะมีนั่นสมาธิเน่ะจะังเลยเน้นนักเน้นนักไอ่ทำสมาธิเถี่ยวกรงก็มาก็บอกเน้นนักภาคทมสรรมาธิได้ควมจังเลยก็มากถามกันมือนี่เห็นตัวแต่ว่าแขกกันมือนี่นตัวคัดของเนว่ยใดทาแล้วบ่เกิดควบลูกอือกับพมีควมถาม ขันท่ำแล้วเกิดวุม้มลูกเกิดวุ้มของใจก็จมีคําถามได้ช่วงระยะสุดท้าย <c oughs> ก็จะไปถามอยู่เอ <c oughs> งอิ่งกับป่ารกกันไปสกปรกกันไปสกปรกไปจิตไปค่าไปของอยู่บันใดจึงไม่ได้วุม้มลูกนิวอนท่ำหายยางเนี่ยเจียกขีดานลักโลกโปวดตรงหัวเหงาหงานอนสงสัยลังเล เปนอยังลงไปก็สงสัยทางเล่ยใจสีแมนทางบุนอาแมนทางพระพุทธเจ้าผ้าเดินบุนนายืองสัน่นนี่ควมสงสัยก็เร่ใจกัลรังเล่บกกาอใจบกกาบกฤตีสั่งองานี่ขันบกกากับบุพพนแล้วผ้าจุ่นี่แล้วไปถ้าความสงสัยของใจถ้าควบงงเงาเงานอนนี่ กบมีคว่ำเพี้ยนกับเป็นผาควา่ำทอแแทอ่อนแอพระพุทธเจ้าเป่นพานไปเมื่อคว่ำทอแแทอ่อนแอคว่ำขีเกียดขี่ข่านกับบมีคว่ำง่วงเงาเ้านอนกับบมีสงสัยตั้งเลขกับบมีเพราะคนเห็ดมาดหลายปีแต่อเนื่อจะมาปีสุดท้ายมือสุดท้าย mm hmm. มือคนเกิดตัดจะรู้ก็บ <c oughs> มุจักกันดีก ว, ว่ว ความติตัตทะลูกนอธิษฐานคิตจังไรอ่านเป็นอธิษฐานคิต ก, ก, กันบริตัททะลูกมันี่สิบว่าไปใสามาใ ส, สาหรือสิบว่าลุกจักทีน ะ, ะเมื่อกี้พ่อแม่คูบาอาจารย์มันกัเน้นหนักจุดนี้คือกันเป็นผ้าขาวฟ้าขาวลงกัดเน้นหนักภาคปฏิบัติเดอน <c oughs> นั่งก็ได้ขึ้นนั่งมัดมือก็อขึ้นพอเห็นผลนั่งสองขึ้นสามขึ้น ต่อไปหมดซขึ้นหนาวขึ้นจนหายของใจคนตัวนี่แต่ค่าโยไซไปติกก๊กแล็วไปสู่ต่อสู่จุงสันนแล้วพระพุทธเจ้าอธิษฐานจุดนี้ก็คือกันแนละ้วถ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ยอมไม่ยอมลุกจากที่ในวันนี้เนี่ยนั่นเป็นบมนิมเสียสัตว์เอ๊พระพุทธเจ้า <c oughs> บ่มือบอ่คือคนบ่มีคว่ำ มุงงมมม่งหวังเพื่อตัดสรูดีพวกมีคว่ำมุ่งหวังเพื่อตัดสลูรั่วสลูสินรู้ก็ทําตามก็เยิ้มทําตามคว่ำขีดเฉียดขีดข่านขี่ข้านบเวณขยันจึงเหนี่เรียกว่าตามก็เยิ้มพระพุทธเจ้าเป็นบอกตามกับเยิ้มต้องเป็นกัเป็นตายกัตา ย, ตาย น, น, า <c oughs> น, นั่น ขาดอยังขาดพระบาปก็ขาขิเล็ดขาดเกล็ดตายก็พะบาบขานื้อื่นตายเมืบาบมืเ น, นี่ยนี่ขาขิเกลในมือ น, นั้นะพระพุทธเจ้าพอได้ ร, รัดสู่พอยอมลงจากตีอดรนทนถุกพยมกุมาไดิอ่พวกพญามัในบทอกงงเลยมีแต่พระพุทธเจ้าสู่กัปยามันดิผ า, าหัดคือมือนี่มือของพญามันด้อ่ามัทุกมตีนั่น <c oughs> เก็บพันปวดนี่กับพญาม่านบักมาทุกมาตีมือพญามานเป็นพันพันพอดีอ่ากับการกับปล่อยสั่งนาร่ากีริงมีอันไรตัวไหนในบทบวดบวดห ม, ม, มวดพระมง่งะมีแต่พระกุศลสู่โลกประมานไรข้อมอดทนผ่านอุปสรรคหยุดนี้ไปมัดจะไปเหลือจังไดกี่เล่ อเป็นก็เป็นตายก็ตายเนี่ยแต่เขากล้าหานแต่นี่ดา <c oughs> ผลในพา่านอยู่ปากป้าตายกับบอกใไปฟังรเราเรียกแต่กล้าอ่านใน้ควมตายแ้่เราก็พ้นไปได้ทันเพรกล้าห่านใน้ควมตายพ้นไปก็ได้คนห้อยย่านอย่างหลายกมูย่านควมตายเนี่ยเหตุคนเราก็ะแลยย่านตายที่อดอาหารย่านตายอดนอนย่านตายที่นั่งโดนกับย่านตายี่ มอขึงข้าวมาตายงายคนน้นดควากรรมสงกรรมไป ม, มาตะเกาแล้ว่านพูดได้ไ่ได้สังบาปส้างกรรมไรก็อนุก็ยื่นย่วน่นผู้มีบาปมีกรรมไปไหลในอนุสัน เ, า, เาก็เห็นกันอยู่ในโลกคนนี้บางกูบางคนแป๊บเดียวก็ไปจ่อยบางกูบางคนโมตั้นคลอดออมากไปจ่อย น, น, น, น, นี่่บาตแนวนึงก็มีแนวนึงมาเบียดเบียนยุ่งสันแล้ว เห็นยุส ง, งส่ทั้งตั้งสิผู้ใดเขาไปจากไหนปหเป็นไปจากไห้ตาย <c oughs> เกิดมาแล้วไปจากไหนมีอายุมันกวอนเนื่องไจากไห้เจ็บไข่ได้ป่วยไปจากไหนเป็นนั่นเป็นนี่เหตุกันอยู่ทังสัน้นปฏิบัติกันอยู่ทังสัน้นเรื่องร่วมเป็นอยู่ของโลกแต่ผลสุดท้ายสรุปแล้วก็คือนั่นก็มาร่วมอยู่คำว่าเกิดแลแก่แล้วเจ็บแล้วตายนละ บอกกีรังยังยื่นไปมาสายที่แตกตามกันเดี๋ก็คือเวลาเท่านั้นนี้ทุกขูตกคนไปมัดสี่วัดไปเล้วไปซ่าแต่คูอกับเวลาเท่านั้นนี่ไปมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเตรียมตัวเตรียมใจก็คือเตรียมจุดนี่เตรียมภาคปฏิบัตินี่มุ่งหวังอยากมาเกิดเป็นขูเป็นคนอยากพบพระพุทธศาสนาแต่ก็อยากปฏิบัติศีลธรรม พันเดแต่ว่าคนนอกมันกับผ้าลาฮาเวปันจักขันท่านาวานเดผ้าละของท่าของสังขารก่อนนี่มันเป็นผ้าละอนนัก อ, อนักบ่อ น, นับก็เบ่งนียตนเองแหละตารวจตัวตาพิจนาเนียตนเองพวกนักบันใดเบาบันใดก็เห็นกันอยู่ทุกท่านแหะหาเงินหาทองหาสุขจริง่งสุจ้างมากเบิมดมือเท่าคำ พังคำพยืนกลางขึ้นพยู็าม่าบำลุ่งตั้งแต่ธาตุแต่สังขารก่อนนี่นี่ mm. เพราะคนห้าวติดวันนี้ยุงบัณฑิตข้าบัณฑิตของบันนี้ิตเอาบัณฑิตมาจาพระพุทธเจ้าพุทธกสอนจา จ, จุดนี่ mm. ย้อนจํารื่อคนห้าวติดกายเห็นไหอ mm. คนห้าวติดสังขารติดร่างกายคนจังให้พิจารณาสังขารร่างกายให้เป็นไปตามค้อมกิง่ง สิเขาสวดมนต์ไปว่าไปยูจงสันว่าทุกเศร้า ว, ว่าทุกแกล้งเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนี่ปากว่าแต่ว่าปฏิการเทพเป็นเทพมีิถะของสะอาดมิถะจากไหนสะอาดไม่จากใหนแย่เมือเงินเธอได้ไม่จากใหนเจ็บเมืเ่อเธอได้ก็ไปว่าบม่จากใหน ต, ตายโรงพยาบาลดูใส่ดสูใสโผไปโหไปแต่คนสุดท้าย ปีนคว่ำเป็นจริงปรได้นี่คว่ำเป็นจริงมีอยู่ทังสัน่นคือเกิดเราแกฉเราเจ็บแล้วตายมาถึงคว่ำเป็นอยู่ของโลกเกิดแล้วบ่ให้แฉบ่ให้เจ็บบ่ให้ตายตัหามาต่อได้ก็ได้กับบำรุงแต่ร่างกายบอกพิสร ม, มเสมอว่าสังขารร่างกายเรียงดีเฮ็ดดีแต่งดีเป็นได้ก็ชงห่อหอดเมีมนะ จิตใจนี่ต้องเข้าถึงสวรรค์ถึงปานิพาทอันจิตใจว่าปฏิปฏิบัติจิตใจจุดนี้ก็ไปทั้งตำนะ่ะเต่อสุรกายชัดระชานไหมอันตรมีคุณธรรมของพระพุทธเจ้าจังเน้ น, น่นะในเสื่อมันในคุณศิลคุณธรรมของพระพุทธเจ้าจึ่งสแสวงหาด้วยความทุกข์ยากลำบากสั่งสมอบรมบุญกุศลบันาบ า, ามีสีอสงไข ครับกำไรแสนมหากัาบผลนี้เ่ผลสั่งบารมีเพรามันเพื่อพระองค์เดียวสําเนธเพื่อสัดโลกด้สั่งข้อมลําบากตากักตำพระองค์เองเพื่อสัดโลกนั่นควอมกล้าหานควอมกล้าเสียสละของพระพุทธเจ้าทีนี่ผลได้มาด้วยควมอมหยุ่นยากลําบากป่านนั้นเอายัางบ่เสียอยู่ดิเสียอายุคำเบาแต่ว่าการเห็บถึงไปนู่นนึง ปากกับใจพอตรงกันมันก็พอถูกต้องอ่าปากก็ตังไหนใจก็ตั้งไหนเหยียดน้ำค้ำปากค้ำว่าไว้ด้วยนี่ก็ทองคือกันน่ะทองพอแหลกก็ทองแล้วสทองพอเศ้าสวดจูบอเศ้าแต่ฝนพอเห็ีดน้าคําสวดคําทองบอพิจนาน้าคําสวดคําวาเดี่ย เพรด็คิดหลายเพรเด็กพิจิณาหลายดอกคำสวดคำว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดน่ะมาพิจิณาเบื้องไหนมันแจ้งชัดในใจนี่ฉันบอมีเวลาปฏิบัติเขอไปก็เลยพอเห็นจุดนี้เด็กนี่เพราะถื่เสียฉันว่าพอเฮ็ดก็เฮ็ดจูคนบอกคนหนึ่งนาที่ก็นั่งอยู่นี่เพราะเด้เอาจริงเอาจังเพาสิเหนือดั่นขึ้นไปบางที่ก็บบ่เกิดศรัทธา ปัญญาก็าเเกิดนี่คือเกิดขึ้นด้วยการบังคับมันปัญญาเพเกิดดิในด้านพระพุทธศาสนาต้องเกิดด้วยศรัท ธ, ธาตัวยในภาคปฏิบัติก็ดีไในภาคทำทานก็ดีท่านอันได้บอกก้าวได้ตอกย้ำยู่าโซเป็นคุ้มเสื้อมันได้หลีกจริงจังไปทำทานก็เพราะอะรอันนี้สงแล้วอ่าผมเรียกว่าอยังภาษามันเอาศรัทธาหัวเตา้า นนลุกออกลุกเขาลุกออกลุกเขาหัวเตามีสัทธาเนี้ยก็ไปกว่าจะจเคล็หลเอาไปมาเมสัทธามันถอยออกมาอีกอ <c oughs> แทนที่ท่ทานพันแบบไรท่านลอยไปอย่างนั่นนี่เป็นเลยว่าสัทธาหัวเตานั่งสมาธิภาวนาขึ้นกันแล้วันถือบังคับเนียก็เฮ็ดจูมันผ้าเฮ็ดผ้าท่อมเลแต่ใจมันบวลงเนี้ย้าเฮ็ดผ้าธรอมอันบวเกิดขึ้นด้วยสัทธา ยังบอกพระพุทธเจ้านแล้วผู้ใดมาภาคเพลินทํางผู้ใดมาบังคับเพลินนั่นตนเตือนตนไม่ได้ผูใ้ใดเล่าจะเตือนตนเตือน ต, ตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเห็นมั้อเห็นพระพุทธเจ้าเพล่นเห็นการไก่ว่าการนั่งธรรมะภาวนาต้องนั่งเป็นหมู่เป็นหมู่กันบ่มีรักเหตุผลก็เป็นท่านแล้วแต่ ผู้ที่มีจิตติดติสัยจิตใจฟักใปในการประกอบความเพียรเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายนี่เพราะมั น, มนเกิดขึ้นด้วยการบังคับได้มรรคผลในพานจะเกิดขึ้นด้วยความมีศรัทธาไม่ใช่จะเกิดขึ้นด้วยการบังคับนั่นถ้าบังคับได้พระพุทธเจ้าบังคับไปก่อนแล้วรักเหตุผลในการปฏิบัติก็เป็นทุกขัน อนั่งบังคับกันอย่โอ้ยใจมันไปขอควนกันตัวไปตําผู้นั่นไปตําผู้นี่บางครูบางคนสติพอดีก็นั่งรับเสียงโกลไปโกโกกกะกับพี่ตัวออว่าถึงก็ไปส้นกันแล้วบางคนบ่มีศรัทธาเนีอยคนนั่งโดนเน็ปันได้สิเศร้าน้อปันได้สิเศร้าน้อย้ะนี่พอจะนั้นเป็นทั่ว่างเป็นอิสระพระพุทธเจ้า จะเกิดขึ้นได้เ <c oughs> พราะความเพียรพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรพยายามอย่างพระพุทธเจาเ้ากับพยายามพระองค์เดียวดิวิภูผู้ใดไปซอยดิดูดรบด้วยการป ฏ, ปฏิบัติด้วยค่วมภาคข่วมเพียรอดล้นทนทุกข์ทรมานเพื่อสัตว์โลกเพราะฉะนั้นสัตว์โลกบ่เคยเสือพระพุทธเจ้าโลกสงสารสูดเลี้ยนเขียนอ่านมากม่เมาคนมีจิเลศตัวมาดู คนมีเกลียดเสือแต่โลกโลกคนเห็นด้วยตาเนือ้อทด้โลกโลกรคมาจากได <c> ้ <oughs> เงินไดท้ท่องทําการตรงงานได้เงินได้ท่องมาก <c oughs> ตัมันเป็ตัวแบบอยากได้หนังเห็ดเอาก็ได้มากอยากได้หนังเห็ดเอาก็ได้มากส่วนมาผลในผ่านต้องเห็นด้วยตาภายในตาภายในจะเกินจะมีก็คื อ, คอมีคว่ำเพี้ยนะเออเรียกว่า ศินสมาธิปัญญ า, น, านั่นมันนี่สินก็จะพร้อมกันด้วยองค์สามประการสินบริสุทธิ์สมาธิตั้งมันปัญญาก็เกิดมันสินบบริสุทธิ์สติมาธิบรตั้งมันปัญญาก็มาเกิดจิต่วงหนา้าห่วงหลังของจิตของใจยุย่งสั้นแล้วมันจึงเน่นนักไหว <c oughs> เน่นนักไหวสังวรสังร่วมนวัดนวังใน สามประการนี่คือศีลกับสมาธิกับปัญญาอันอันนึงตั้งรักไว้แล้วอันนึงก็เกิดขึ้นมานะอันสามก็เกิดขึ้นมาต่อไปเป็นลําดับลำรับมาสั้นอันจังหยาดโยมยังติดอันท่านศีลพรวบารณะมันได้แต่ท่านแต่ตัวบัดวันศีลวันพระเห็นนี่วะเดี๋ยวนี้น้ำวัดต่างๆพอเกินสมมูลรับบ้านนี่หาเสียบหลัง ผู้ไปรักษาศีลก็บพวกเคืองหนึ่งสัมฤทธิว่าเนี่ย น, นะคว่ำบ่เสื่อมันคว่ำบ่เห็นผลในการปฏิบัติคว่ำบ่เห็นผลตามหลักเหตุผลของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาบ่เห็นเหตุจุดนี้ก็เลยขีเกียรติขีดขันสัตวันโอ้ยฮะพวมีบุญกุศลไปจำศีลพระบราดอกยังอดบ่ได้อดเข่าอดน้ำบ่ได้อดรับอดนอนบ่ได้อดสะดวกสบายอดนะนั่ง ศาตร์นางเสื้อยัดว้วยนุ่นและสมมีบ่ได้เรื่องของปัญมานมันต่างไปได้เมือ่อปันพบมีสติปัญญาสู่ปัญญามันบ่ได้ปัญญามานเห็นเล่าเล่าบ่าเห็นปะะนัญญามันกิเลสเห็นเฮาเฮาบ่เห็นกิเลสอ๋อที่ตั้งาาท่าใดม้าตัวแถวกิเลสอ้าวตั้งสัตว์ตัวใดมาาตัวแถว เขาท่าได้เลยที่เหล็ก <c oughs> กัดข้มเพี่อ้นบอทบอวันบกกาหารเด็ดเดียวอีดีไปว่ได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยล่มละไรปฏิบัติไปแน่ล่มละไรปฏิบัติไปแน่ล่มละลรแต่จังหวะนี้แต่การท่านจนว่าทําไม่พระยุ่งควายน่ลลาก็คนไทยสมัยใหม่ บ่เ็ตตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าการทำท่านกับบ่เหตตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเหตเพี้ยนเห็ดพิ้ยนตายจนพระลําบากอวันเข่าพันสาเต็มไปด้วยดอกไม้ทูบเที่ยนาอาสะบงกีว่นฝ่นาอาบน้ํำฝนน้าอ้ อ, อยน้ําตาลอะไรก็เต็มกองกลุ่มๆอยู่จนบ่มีบอลเจ็บคนเมียนคน นาเทศกาลกระถิ่นก็คือการขนม้าว่าจันผ่ากรถินพระไปนนางสวดจนว่าบ่มีบ่อนว่างผ่าเออสิ <c oughs> ่งของนอกดันก็บ้ออึดเสริมกาไปเสริมก็ไปออนี่ของใส่ที่ได้ของขอบฉันก็คือกันเนอไปบ่อนใดบ่นใดเทออกเทออกเออเต็มบาทโดนบาทเอก็ไปบื้ใส <c oughs> ลดไสล่าคุณนี่สักหน่อยสักหลายจนว่าทําไห้พระเกิดจเจริญเนี่ยบอว่าบินตะบาดขายได้ดุวมือ <c oughs> ภาสบงกีวอนก็เริ่มขายไปแล้วอ่าั <c oughs> นบ่ใส่อุบา <c oughs> บก็ใส่พิทีหนึ่งบ่ได้ขายโดยตรงขายทั้งอ้อมนี่ หลวงพอ่พอหลวงพ่อคือว่าของทําสังกท่านหลายแฉกน้อยมาบูชาจวัฒนน่นผู้หนึน่งเห็ดได้ผู้รุ่นกัมาเห็ดอีกแมนคือเจ้าพ้าเห็ดนะเพต้องไปหาซสื้อล้านยากห <c oughs> รอกวรอพระเกิดสิเล่ข้าวเดียวผู้นั้นก็มาข้าวเดียวผู้นี้ ก, ก็มาข้าวเดียวกันหลวงพอ่อหลวงพอ่อมเห็ดสังกท่านหลวงพ่อหลวงพ่อสังกท่าน เที่ยวมาสักวงศกุลทังกรทานให้เวิมือเออนั่นแหะต่างฝ่าละในพระดัตพระพุทธเจ้าเป็นๆแบบนี้คือกันรับของท่านจากญาติจากโยมแต่ว่าเพคนเอาของที่เป็นประโยชน์เออของเกินพ่อดีเราเพป่นของเพเป็นประโยชน์วันต่อเดินเออเกินพ่อดีครบชั้นนึกติดเกินพ่อดี ทางพระปุตการเวลาถวายพระตาหารแล้วก็ทุดถ่ายก็คือถวายใบ ป, ปอบเะนาอนพระเทศนเอาดิว่าวิญวกัดดิยงเยอะเดี๋ยวนี้ก็ย่อนปัดจัยุงเยอะเดี๋ยวนี้ปวดหัวอเดริยน้เรื่องปัจจัยบุญบา ร, รมีหลวงปู่หลายปจัจใจหลาย เลยเห็ุเป็นมุ่นนิธิไว้นั่นนั่นนี่นี่ลายอันลายอย่างนี่ชำระสาสางติเหตุนิดนี่ไปก็โอ๊้กำหนดกฎเกณฑ์ของมุ่นนิธนิลายขั้นตอนลายอันลายอย่างมีระเบียบลายแนวมาขาม่าคุกเขี้ยนหรอโอ้ก็งงดว้วย <c oughs> นี่เพราะฉะนั้นจึงนิดใสระเด็ดใสหลวงพ่อคือมีเรา หลับอยู่แต่วันไหนจาเป็นใจเลยใจเลยหายไปเลยอยากท่านก็ท่านไปเลยอยากเหตุนั้งก็เหตุไปเลยญาติโยมมาถวายต้องถามก่อนนี้ามาถวายในหลวงพอ่อหรือถวายในวัดอันตราวัยใ้วัดก บ, บอกเขาตู้อันตราวัยหลวงพ่อมาหนีอ่าญาติโยมลูกิดอย์ที่นี่เวลาผู้ใดจําเป็นมาขอมิเหตุผลดีจะไงะมิเหตุผลก็งไม่ไดอ พระพุทธเจ้าพระถวายก็คือใบปพ ร, ราณา่าไม่ได้เอาสิ่งเอาของเอาขอ่าวเอาหนา้าเอาถูกสิ่งถุกอย่างมาเก็บเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีสาระไม่มีกุติไม่มีวันจะเก็บสิ่งเก็บของเพ่นตัดท่วมกังวลบ่อยพระ อ, อยู่ยาติคนจังเหตุแนวทางแบบนั้นอในภิกษุอาจารย์บินฑบาตก็ไ่ได้เอาเกินครบฉันอิ่มตามรักค้ำรักพระพินได้ก็ว่ายสั่นนี้บ่อย ห้ามพระภิกษุ ส, สงฆ์รับอาหารและบิณฑบาตเกินขอบปากบาทเด้ขันย่างหลายบ่ยเกินขอบบาทเด้ก็เลยมีกานิย่อมอนุร่วมใดเน่ก็คือยกเว้นนี่ ย, ยกเว้นมีคนมาถ่ายเทนั่นอันว่ามีคนไทยเท้ก็ไปเอาเกินนั่นก็ยุ่งยากเห็นพ่ะสุนพระเอากเกิ น, เ ก, นเกินบาทอ่ะยัดใส่ถงให้เต็มถงใส่คุใส่กระตาใ ห, ห้เต็มคุเต็มกระตาเราต้องใส่รถเป็นตัวชูมือน ว่าไมีรถขับกัไส่รถเข็นเราเนี่ทั้งหนึ่งไข้บาททั้งหนึ่งแก่รถเข็นคุเนี่ยนั่นแหละจึงได้บอกอยูปะเศ้าเฮต้พระเกิดชีเลตได้บาปน้ากันเนี่ยพุทธนุกเฮติพระร <c oughs> รเกิดชีเลตจึงจะได้บุญหลายพุทธนอกนี่กันจากข่านนี่องกท่านแนวมีปัญญาแนวมีเหตุมีผลแนวสี่ว่าเดือดร้อนบุญวีบุญไหว้ของพระสงฆ์หมดแล้วนี่ปติ บ่ยากเกลดจากถ้ำเพื่อว่าสมัยใหม่นี่มันว่าพวกญาติพวกโยมมันว่าผู้ไร้ทื่อผู้ได้ถือผู้นั้นใส่ตั๋วมันว่าเด้อวันพระที่ไปขอมาใส่มันว่าผมยืมจะเข้าแน่เหมืนว่าไปยัมนแล้วก็ยืมจะเข้าเดี๋ยวเขาจะมาให้เดี๋ยวขาไปเทีให้พระมึงก็ไปเถียงมาได้เนาะเป็นบ่ยากขืนโรคสืนสารเหมืนว่าถ้ายกทัศน์กาผู้รับใส่ไปว่าวุ่มซีวุ้มหาหลายก็เป็นญาตเชียด พอจังก็เลยเป็นปัญหาจุดนี้อา่าท่านในพระพระเพิ่็จะผิดพระวไนยกันถือนมาไว้พร้อมก็จะเกิดขุ่มโลกลูกหลานยังใส่เปืองด้สุมืน่นมันไปถือเห็นแน่แล้วแอ้ลเอาถึงตัวลูกหลานก็ได้ก็เห็นนี่เงินเยอะไปไหมวะนี่ยหลวงพ่อคือให้ปากไว้ยุ่น <c oughs> เออของหลวงพอว่อตัวโอของเพ่นมาใส่คนจะเอาแท่นเพิินตัว ของหรูหลามันแน่ใส่ใจหลายเสมอควบหรู้หลาควมผูกพ้วยควบมัวเมาเพลินแต่เจ้าทายางเครื่องส่งเสริมจิเล็ดมันหลายจะเลยมั่วเมาไปําของมือนี่แหละเอาลำการน้องสมัยเอาลำควบหรู้หลาผูกป่วยไปบ่ได้ดอจัดพระมาเทศจัดพระมาอธิบายธรรมะไตรยย่ำฟังแล้วน้าไปทําเนี้ยดิให้เขาใจเข้ามาฟังธรรม ฟังหูจักว่ามีเหตุที่ผลพระติทอดถอนที่เละได้เอาไปเหตุเอาไปทำเอาปฏิบัติเอาฟังธรรมนั่นให้ตีความหมายก็มาฟังธรรมออกกัยังใไงจะได้ฟังแล้วทําตามนั่นจึงเป็นไปฟังธรรมฟังแล้วพอทําตามนั่นไปฟังเทศเนี่ยหนึ่งฟังเทศสองฟังธรรมฟังเทศฟังแล้วทิมเทศะคือเทศทิม ฟังธรรมฟังแล้วนําไปปฏิบัติเกิดประโยชน์เนเอาความของพระเจ้ามาเว้าสูกันฟังเพื่อเป็นการตอกยำ้ำบ่อยคนเม่าเมาลุม่มหลงหลังแา่ตอกยำ้ำบ่อยลุม่มหลงก็จัง้งพระกันหลงเงินเด่น